จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16กันยายนพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาหาความร่วมเย็นเป็นสุข ด้วยการมาทำบุญให้ทางมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเพราะการเข้าหาวัดเข้าหาธรรมะนี้ก็เป็นเหมือนกับการได้รับน้ำเช่นน้ำฝนที่ตกในวันนี้เวลาฝนตกก็จะให้ความร่มเย็น ต่างกับเวลาฝนไม่ตกที่มีแดดออกเปรี้ยงๆอากาศก็จะร้อนฉันใดใจของเราก็เหมือนกันใจของเราก็มีทั้งฝนและมีทั้งแดดให้เราได้สัมผัสรับรู้ฝนนี่ก็คือกระแสธรรมนี่คุณวางความดีทั้งหลายเช่น พรหมวิหาร4คือความเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาถ้าเรามีพรหมวิหารสี่อยู่ภายในใจใจของเราจะมีความเย็นมีความสบายถ้าเรามีแสงอาทิตย์คือมีความโลภความโกรธความหลงใจของเราก็จะมีแต่ความรุอนร้อนมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ใจ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่เราควรที่จะเข้าหากระแสฝนกระแสธรรมพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปอยู่กลางแดดกลางแจ้งที่ร้อนระอุทําให้ใจของเรารุ่มร้อนก็คืออย่าไปอยู่ท่ามกลางความโลภความอยากความโกรธความหลงที่มีจะผลิตความรุ่มร้อนให้แก่จิตใจให้เราเข้าหา กระแสรมกระแสของน้ำฝนที่หลั่งลงมาทำให้ใจของเรามีความล่มเย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทมันเจริญพรงวิหารสีอยู่อย่างสม่ำเสมอคือเมตตาความมีไมตรีจิตกรุณาความสงสารมุนิตาความยินดี ในความสุขความเจริญของผู้อื่นและอุเบกขาการปล่อยวางทำใจให้ว่าททำใจให้สงบทำใจให้เป็นกลางนี่คือคุณธรรมสีประการที่จะให้ความนุงง่มยนนุน่มเย็นเป็นสุขแก่จิตใจแต่การใช้หรือการแผ่คุณธรรมทั้งสีประการนี้ ก็มีเวลาต้องอยู่เวลาที่เหมาะสมเหมือนกับการขับรถยนต์ที่ต้องมีการเปลี่ยนเกียร์เพราะสภาพของท้องถนนเลือกความเร็วของรถนี้มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้ารถวิ่งช้าก็ต้องใช้เกียร์ต่ำถ้ารถวิ่งเร็วก็ต้องใช้เกียร์สูงฉันใดชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับการขับเคลื่อนรถยนต์ ถ้าเราพบปะกับคนเราก็ควรที่จะแผ่เมตตาถ้าเราพบปะกับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยาเยกเหลื่อยร้อนเราก็ควรที่จะแผ่ความกรุณาถ้าเราเจอคนที่เขามีความสุขความเจริญเราก็แผ่มุนิตาถ้าเราเจอสภาพที่เราไม่รู้จะทำอย่างไรหรือทำอะไรไม่ได้เราก็แผ่อุเบกขาไปนี่คือ การการแผ่พรมวิหารสีซึ่งควรจะแผ่เวลาที่อยู่ในเหตุการณ์จริงไม่ใช่แผ่ในเวลาที่เราอยู่ในห้องพระเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วแล้วเราก็มาสวดสเพสัตาเอาเวลาหุ้มตุกอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการแผ่อันนี้เป็นการสอนเติมใจ หรือเป็นเหมือนกับการทำการบ้านถ้าเป็นนักกีฬาก็เป็นการซ้อมไว้ก่อนก่อนที่จะลงสนามจริงเวลาลงสนามจริงถึงต้องเป็นเวลาที่เราต้องแผ่ <c oughs> เมตตากรุณามุรุตาอุเบกขา <c oughs> เช่นเราพอเราพบปะกับคนหรือสัตว์ <c oughs> เราก็ให้ความเมตตากับเขา <c oughs> เช่นแสดงไมตรีจิต มีอะไรที่พอที่จะแบ่งปันกันได้เราก็แบ่งปันกันไปมีอะไรก็ถ่ายาคุยกันไทายสถามถยถามสารทุกข์สุขดิบให้ความสนใจแก่ผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าการมีความเมตตาหรือว่าถ้ามีเหตุการณ์เช่นถูกผู้อื่นเขาดูด่าว่ากล่าว ฆราหานินทาหรือทำร้ายร่างกายก็ให้แผ่เมตตาตอนนั้นคือให้อภัยให้แผ่ความให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายผู้อื่นนี่คือเรียกว่าของการแผ่เมตตาเช่นมีคนเขาด่าเราก็สาธุไปภายในใจก็จได้ถ้าเป็นความสุขของคุณที่จะด่าเรา เราก็ยินดีที่จะให้ความสุขนี้กับคุณถ้าคุณจะตอบหน้าเราเราก็ยินดีถ้าเป็นความสุขของคุณนี่คือการแผ่เมตตาถ้าแผ่อย่างนี้แล้วรับรองว่าจะได้ผลจริงๆเพราะใจเราจะไม่ทุกข์เลยใจเราจะไม่ร้อนใจเราจะไม่โกรธจะไม่อาราตพยาบาทนี่คือการแผ่เมตตา ต้องแพ่ในเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาไม่ใช่เวลาที่เราไหว้พระสนมนเสร็จแล้วเราก็มาสวดแผ่เมตตากันอันนั้นยังไม่มีเหตุการณ์เหมือนรถจอดอยู่เฉยๆไปเปลี่ยนเกียร์หนึ่งเกียร์สองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะรถยังไม่วิ่งต้องรองให้รถวิ่งก่อนพอรถวิ่งแล้วเราต้องรู้จักเปลี่ยนเกียร์แล้วถ้ารถวิ่งช้าก็ใช้เกียร์ต่ำ พอรถวิ่งเร็วขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ให้มันเร็วขึ้นชันใดชีวิตของเราก็อย่างนี้เวลาที่เราพบปะกับคนพบปะกับเหตุการณ์ต่างๆเราก็ต้องรู้จักใช้คุณธรรมทั้ง4ี่ประการนี้ให้เหมาะกับเหตุการณนะ์เช่นเราพบปะคู่คนเราก็แสดงมัยตรีจิตนะให้อภัยถ้าเขาทำอะไร ที่ทำให้เราต้องเดือดร้อนอย่าไปอาฆาตปยาบาทอย่าไปจองเวรจองกรรมอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปทำร้ายเขาเพราะการทำร้ายการเบียดเบียนการอาฆาตปยาบารนี้มันเป็นโทษกับจิตใจของเราทาให้จิตใจของเราลุกเป็นไฟขึ้นมาแล้วถ้าเราทำไปแล้วก็จะทำให้เรากลายเป็นเดรัจฉานไปกลายเป็นนรกไป แต่ถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราจะรักษาความดีของเราไว้ได้เราก็จะเป็นพระเราก็จะเป็นเทพเป็นพรหมนี่คือการเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องแผ่เมตตาเพราะการแผ่เมตตานี้เป็นประโยชน์กับตัวเราไม่เป็นโทษกับเราเลย แต่การอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมการทําร้ายผู้อืนี้เป็นโทษกับตัวเราเพราะว่าอย่างไรเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วถ้าเขาด่าเราเขาก็ด่าเราแล้วถ้าเขาทุบตีเราเขาก็ทุบตีเราแล้วถ้าเราอยู่เฉยๆได้เราก็ไม่ขาดทุนอย่างมากก็จิตเพียงแค่เจ็บตัวเท่านั้นเองแต่เราไม่ต้องมาเจ็บใจ แลวเราไม่ต้องมาสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปทำให้เราต้องไปชดใช้เวรกรรมต่อไปเพราะว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราคือใจเมื่อร่างกายตายไปแล้วใจของเราก็ยังต้องไปชดใช้กรรมหรือไปรับผลของบุญต่อไปถ้าเรามีเมตตาเราก็จะไปสวรรค์ถ้าเรามีความ โหร้ายทารุณอาฆาตพยาบาททำร้ายผู้อื่นถึงแม้ว่าเขาจะทำร้ายเราซึ่งเราอาจจะคิดว่าเป็นเหตุผลพอที่จะทำให้เราทำร้ายเขาได้ก็ตามแต่เหตุผลนี้ก็ไม่สามารถมายับยั้งผลของบาป ท, ที่เราทำได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือเราต้องไม่ไปทำร้ายเขาดังที่พูะเจ้าทรงตรัสว่า เวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรเพราะถ้าเราไปทําร้ายเขาแล้วเขาก็จะโกรธแค้นโกรธเคืองเราขึ้นมาเขาก็จะกลับมาทําร้ายเราอีกก็จะจองเวรจองกรรมกันไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราไม่ตอบโต้เราปล่อยวางถือว่าอะไรก็เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วเขาด่าก็ดาก่ดาไปแล้ว เขาตีเราก็ตีไปแล้วเราไม่สามารถที่จะไปลบล้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นได้แต่ถ้าเราไปด่าเขาไปตีเขาเราก็จะไปสร้างให้สร้างเหตุให้เขามาด่าเรามาตีเราขึ้นอีกนี่คือเรื่องของเหตุผลว่าทำไมเราจึงจะต้องไม่ไปตอบโต้เวลาที่ผู้อื่นเขาด่าเราหรือว่าเขาทุบตีเรา ใ ห, ให้เห็นความสาคัญของความสงบของใจเราถ้าเราไม่ไปทำอะไรแล้วใจของเราจะสงบเย็นสบายแต่ถ้าเราไปทำร้ายเขาแล้วเราก็จะเกิดความหวาดกลัวเกิดความวิตกกลัวเขาจะกลับมาทำร้ายเราใหม่นี่คือเรื่องของความเมตตาที่เราควรจะใช้เวลาที่เราอยู่กับบุคคลอื่น เวลาอยู่กับคนอื่นนี้พยายามแผ่เมตตาบ่อยๆเพราะใจของเรามักจะไม่ค่อยแผ่กันลืมไปทั้งๆ ท, ที่เราอยากจะแผ่แต่พอเขาทําอะไรไม่ถูกใจเราเราก็แยกเขี้ยวใส่เขาแล้วโกรธเคืองโกรธเคืองเขาแล้ว อ, อันนี้เรียกว่าไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแผ่เมตตาก็ต้องยิ้มไว้มไม่เป็นไรทําอะไร เสียหายก็พูดกันได้เตือนกันได้บอกกันได้แก้ไขกันไปของต่างๆไม่ค่อยไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าเท่ากับจิตใจของเราสิ่งของต่างๆที่เรามีกันอยู่ในวันนี้ในวันข้างหน้าเราก็จะไม่อยู่กับเขาอยู่ดีไม่ว่าเราจะดูแลรักษาให้ดีอย่างไรก็ตามไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปหรือเราก็ต้องจากเราไป แต่ถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจของเราใจของเราจะอยู่กับเราและก็จะอยู่แบบไม่ดีอยู่แบบรุ่มร้อนอยู่แบบวุ่นวายใจอยู่แบบโกรธแค้นโกรธเที่ยงอาฆาตพยาบาทนี่คือเมตตาพระเจ้าทรงตัดว่าเมตตก็คือเอาเวลาคือการไม่จองเวงอัปยาปัชชาคือการไม่เบียดเบียนหรือทำร้ายผู้อื่น สุขีอัตนานแปลว่าปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขถ้าเรามีอยากจะมีความเมตตาเราต้องคิดอย่างนี้คิดว่าไม่จองเวรไม่ทําร้ายผู้อื่นมีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเช่นวันนี้ญาติโยมก็มีความปรารถนาให้พระภิกษุที่อยู่จงพรรษาที่วันนี้มีความสุขก็นําเอากับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานต่างๆ มาถวายพระนี่แหละคือการแผ่เมตตาต้องแพ่ด้วยการกระทำํำแต่เวลาที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆส่วนข้อที่สองที่เราควรที่จะมีมีเจริญไว้ก็คือความกรุณาแปลว่าความสงสารสงสารผู้ที่เขาได้ยโอกาสกว่าเราสงสารผู้ที่เขาทุกข์ยากลำบากกว่าเรา ถ้าเราพอจะมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือผ่อนคลายความทุกข์ยากลาบากของเขาได้เราก็ควรที่จะทำเพราะเวลาทำแล้วจะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความปลื้มปิติบางครั้งมีคนเล่าให้ฟังว่าบางครั้งเขาเขาเห็นคนอดอยากเดินโซซัดโซเซมา เขากำลังกินจะรับประทานอาหารเขากลยยอมสละอาหารนู้นนั้นให้กับคนที่หิวโซซัดโซเซมาแต่เขาว่าใจของเขานี่กลับอิ่มกว่าตอนที่เขาได้รับประทานอาหารสิเพราะถ้าเรารับประทานอาหารเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยใจของเราไม่อิ่มร่างกายเราอิ่มแต่ใจเราจะรู้สึกเฉยเฉย เพราะเราไม่ได้ทำบุญเราไม่ได้ทำความดีแต่พอเราสละอาหารของเราให้แก่ผู้อื่นรับประทานใจของเรากลับมีความอิ่มมีความสุขกลับไม่รู้สึกหิวกับความหิวของร่างกายในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ให้ความกรุณาแก่ผู้อื่นเราคิดจะดูแลตัวเราเองรับประทานอาหารการรับประทาน เพื่อตัวเราเองไม่คิดถึงผู้อื่นถึงแม้ว่ารับประทานเสร็จไปใหม่ๆใจก็ยังหิวได้ยังอยากจะรับประทานอย่างอื่นต่อพอเห็นอะไรก็อยากรับประทานขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ที่เพิ่งรับประทานเสร็จไปใหม่ๆนั่นก็เป็นเพราะว่าใจไม่ได้รับอาหารนั่นเองอาหารของใจก็คือความเมตตาหรือความกรลโานี้ดังนั้นขอให้เราพยายาม แผ่ความการุณาให้แก่ผู้โดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในเหตุการมีผู้อื่นเดือดร้อนก็ควรที่จะช่วยเหลือกันเช่นเห็นคนชะลาเดินข้าวถนนเราก็ช่วยเหลือท่านเดินข้ามถนนไปคนชะลาถือข้าวถือของมาเราไม่เราไม่มีอะไรถือเราก็ช่วยถือไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการ แผ่ความการุณาช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นเวลาทำไปแล้วจะทำให้ใจของเรามีความสุขเวลาเราเห็นผู้อื่นก็เดือดร้อนแล้วเราไม่ทำอะไรนี้บางครั้งเราจะรู้สึกไม่สบายใจเราจะมองตัวเราว่าใอ้ทำไมเราถึงใจดำอย่างนี้ทำไมเราถึงเห็นแก่ตัวอย่างนี้นี่คือเรื่องของใจที่จะต้องมีความการุณา ถ้าอยากจะให้ใจของเรามีความสุขมีความร่มเย็นมีความสบายใจส่วนข้อที่สก็คือมุติตาก็หมายถึงให้เรามีความยินดีกับความสุขและความเจริญของผู้อื่นเวลาเห็นผู้อื่นก็มีความสุขเช่นเวลาเขาแต่งงานเราก็ไปแสดงความยินดีเอาข้าวของเอาของขวัญไปให้กับเขา การแสดงความยินดีกับคนที่เรารักนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งยากเย็นอะไรแต่สิ่งที่ยากเย็นก็คือการแสดงความยินดีกับคนที่เราไม่ชอบเช่นคนที่เราทำงานร่วมกันแล้วเขาได้เด็ดได้ดีได้ตำแหน่งที่เราอยากจะได้อย่างนี้เราจะแสดงความยินดีได้หรือเปล่าเราจะมีมุทิตาจิตหรือไม่ถ้าเราไม่มีเราก็อาจจะเกิด ความอิจฉาริอเสีขึ้นมาความไม่พอใจขึ้นมาซึ่งถ้าเรามีความอิจฉาริอษยาหรือมีความไม่พอใจก็จะทำให้ใจเราไม่สบายไปต่อๆทั้งๆที่เราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแล้วเราทำไมจะต้องมาทำให้ใจเราไม่สบายไปด้วยแต่ถ้าเราฝึกการแผ่มุติตาคือฝึก สอนให้เราแสดงความยินดีหรืออย่างน้อยถ้าไม่แสดงก็ให้มีความรู้สึกยินดีภายในใจของเราว่าเขาทำดีมาเขาก็ต้องได้รับผลดีไปเขาทำอะไรเขาก็ต้องได้รับสิ่งนั้นไปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะทำให้ใจของเราสบายเย็นสบายได้ไม่ไม่ร้อนด้วยความอิจฉาริษยาไม่พอใจ ส่วนอุเบกขานี้ก็คือการทำใจให้เฉยคือไม่ไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีไม่มีมุดิตาเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่จะทำให้เราต้องแผ่เมตตากรุณาหรือมุดิตาเช่นเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถทำอะไรได้เห็นคนเขาถูกลดชนอย่างนี้เจ็บแต่เราไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าเราไปทุกข์แทนเขา เลือไปโกรธแค้นคนที่ขับรถชนเขาก็ไม่ได้เปลีป่ยนแปลงเหตุการณ์ไป็นแต่อย่างไรแต่จะทำให้ใจของเรานั้นวุ่นวายเดือดร้อนไปเปล่าๆไม่ไม่เป็นประโยชน์อย่างไรถ้าเราเจอเห็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วก็แผ่ความมุ่ดิจาไปก็คือตรงว่ามันเป็นเรื่องของกรรมไป พิจนาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราและผู้อื่นนี้มีกรรมเป็นของของเราคือมีการกระทาที่เรากระทำนี้เป็นของของเราไม่ว่าเราจะทำการกระทำแบบไหนก็ตามจะดีหรือจะชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดังนั้นเวลาที่เราเห็นคนที่เขา ต้องประสบกับข้อกรรมต่างๆแล้วเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ต้องทำใจอย่าไปทุกข์กับเขาเพราะความทุกข์ของเราก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาของเขาไม่ได้ผ่อนคลายหรือบรรเทาความทุกข์ของเขาได้แต่อย่างใดเหมือนบา ง, บางคนคิดคิดว่าเวลาคนอื่นเขาทุกข์แล้วเราไปทุกข์แล้วเหมือนกับว่าเราจะช่วยแบ่งปันความทุกข์ให้กับเขา อันน้นเราไม่เราไม่สามารถแบ่งปันความทุกข์ของเขาได้นอกจากเราช่วยเหลือเขาได้อย่างใดเราช่วยเหลือไปอย่างนั้นถึงจะทำให้แบ่งปันความทุกข์ของเขาได้แต่บางครั้งเราไม่สามารถจะแบ่งปันความทุกข์ของเขาได้เช่นเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็หมอก็รักษาอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่หายก็ยังเจ็บอยู่ยังยังเป็น ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อย่างนี้เราก็จะไปทุกข์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ต้องทำใจปล่อยวางอย่าไปทุกข์กับเขาเพราะไม่เป็นประโยชน์อะไรและเป็นโทษกับเราทำให้เราต้องมาทุกข์ใจไปต่อไปนี่คือเรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทั้งหลาย มันจเจริญกันอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีพรหมวิหารสี่ในใจแล้วเราจะอยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุดกับเหตุกับสภาพเหตุการ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆเราจะอยู่กับใครก็อยู่ได้หมดไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าเราไม่รู้จักการจเจริญพรมวิหารสี่เวลาเราอยู่กับใครแล้วเรามักจะมีปัญหาเสมอ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้พวกเราหมั่นเจริญเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาไว้อย่างสม่ำเสมอเช่นซ้อมไว้ก่อนเช่นเวลาเราอยู่ตามลําพังเราก็ซ้อมคิดไปก่อนว่า เ, เวลาเราเจอคนนั้นเจอคนนี้โดยเฉพาะคนที่เราไม่ชอบเราก็พยายามอย่าไปคิดร้ายกับเขา เวลาที่เราเจอเขาถ้าเราทักทายให้เขาไม่ได้ยิ้มให้เขาไม่ได้อย่างน้อยก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปอาฆาตพยาบาทซ้อมไว้อยื่เรื่อยๆว่าเวลาไม่ซ้อมเวลาเราไปเจอคนที่เราเกลียดนีจ่จะเกิดอารมณ์โกรธเกลียดขึ้นมาทันทีก็จะทำให้เราไม่สบายใจเปล่าๆให้เราทุกข์ไปเปล่า เช่นเดียวกับความกรุณาก็ขอให้เราซ้อมไว้อยู่เรื่อยๆซ้อมถึงเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดเราไปเจอสภาพที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเราจะทำได้หรือไม่อันนี้ต้องซ้อมไว้ก่อนคิดไว้ก่อนเช่นเดียวกับมุ่ิทตาเวลาคนที่เราไม่รักเขาได้ดีได้ดีคนที่เราไม่ชอบเขาจะิญรุ่งนองนี้เราทาใจได้หรือเปล่าถ้าเร า, าถ้าเรา แพ้ความมุดิตาไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาได้หรือเปล่าคืออย่าไปอิจฉาริอเสอย่าไปเสียใจกับการได้แบบได้ดีของผู้อื่นการที่เราจะทำใจของเราให้เป็นอุเบกขาด้านนี้เราก็ต้องฝึกนั่งทำสมาธิการทำสมาธินี้แหละเป็นการทำจิตใจให้เป็นอุเบกขา เวลาใจสงบแล้วใจก็จะนิ่งเป็นกลางจะไม่โลภไม่โกรธไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆการที่เราจะทำใจให้สงบได้นี้เราก็ต้องมีสติก่อนเพราะสตินี้เป็นผู้ที่จะทำใจให้เข้าสู่สมาธิได้ถ้าเราไม่มีสมาไม่มีสตินี้ เราจะไม่สามารถเอาใจให้เข้าสู่ความสงบได้สตินี้ถ้าเปลี่ยนก็เป็นเหมือนเชือกเวลาที่เราจะให้ลิงนั่งอยู่เฉยๆนี่เราต้องเอาเชือกมัดลิงไว้ถ้าเราไม่มัดลิงไว้ลิงมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาเล่นไปตลอดเวลามันจะไม่อยู่เฉยๆจนกว่ามันจะหมดแรงหรือ ม, มันง่วงนอนท่านั้น มันถึงจะหยุดเคลื่อนไหวใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีเชือกคือสติคอยดึงใจไว้มันก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดไปได้ตลอดเวลาและเวลาคิดไปแล้วก็จะผลิตอารมณ์ต่างๆตามมาถ้าคิดดีก็ทำให้ใจเย็นสบายแต่ถ้าคิดไม่ดีก็จะทำให้ใจวุ่นวาย ดังนั้นเราต้องควบคุมความคิดไว้ให้ได้วิธีควบคุมความคิดนี้ก็มีหลายหลา ย, หลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือการให้คิดอย่างอื่นแทนบังคับให้คิดในสิ่งที่ไม่เป็นโทษกับใจเช่นให้คิดคำว่าพุโทโธพุโทโธไปภายในใจถ้าเราท่องพุโทโธพุโทโธไปตลอดเวลาเราก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ เมื่อไม่คิดแล้วใจเราก็จะว่าจะเย็นจะสบายเวลานั่งสมาธิเวลาเราพูดโธไปเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบแล้วก็จะเป็นอุบเบกขามีความเย็นมีความสุดมีความสบายดังนั้นถ้าเรายังนั่งสมาธิกันไม่ได้ก็ขอให้เราฝึกสติไปก่อนสตินี้เราสามารถสกได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเพียงแต่เราไม่รู้กันและเราไม่เห็นคุณค่าของการเจริญสติเราจึงปล่อยใจของเราให้คิดเรื่อยเปื่อยเหมือนกับปล่อยให้ลิงมันไปไปวิ่งไปเล่นไปเท่นพลาดมันก็ไปสร้างความเสียหายให้ให้เกิดขึ้นตามมาเราต้องควบคุมลิงคือความคิดของเราด้วยการใช้พุทธโธเป็นตัวหยุดความคิด ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาปัพอลืมตาขึ้นปั๊พอจะคิดเรื่องอะไรก็พุโทโธไปเลยนอกจากว่าเราจาเป็นจะต้องคิดเรื่องที่สำคัญเรื่องที่จาเป็นเราก็คิดได้แต่พอเราคิดเสร็จแล้วเราก็กลับมาพุโทโธต่อไม่ว่าเรากำลังทำอะไรเราก็พุโทโธไปกำลังรับประทานอาหารก็พุโทโธ กำลังดื่มน้ำก็พุโทโธกำลังล้างถ้วยล้างชางก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่างนี้ใจของเราก็จะนิ่งไม่ลอยไปลอยมาใจของเราจะสงบเป็นอุเบกขาได้นี้จะต้องนิ่งต้องตั้งอยู่ในปัจจุบันคือไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตไม่ไปที่ไกลให้อยู่ใกล้ตัวเราให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือให้อยู่กับพุโทโธ ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเวลานั่งสมาธิใจของเราก็จะสงบพอเรามีสมาธิแล้วเราก็จะมีอุเบกขาเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถจะทำอะไรได้เราก็จะปล่อยวางได้เราจะเฉยได้เราจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆเราจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราจะมีความเย็นมีความสบาย มีความหนักแน่นเราไม่ต้องไปทำอะไรที่ทำให้เราต้องมาเสียใจในภายหลังนี่คือเรื่องของจิตใจที่จำเป็นจะต้องมีน้ำฝนคือกระแสธรรมมาหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้จิตใจของเราล่มเย็นเป็นสุดอย่าปล่อยให้ใจของเราไปหาแดดหาความร้อนคือหาความโลภความโกรธความหลง ที่จะเผาใจของเราให้ทุกทรมานไปทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันนี้ก็ไม่ได้ทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์เพราะว่าเรามีความโลภทุกข์เพราะว่าเรามีความโกรธทุกข์เพราะว่าเรามีความหลงเราไม่รู้จักทำใจให้สงบทำใจให้ปล่อยวางทำใจให้มีความเมตาามเมตากลุนามุนตาอุเบกขานั่นเองถ้าเราสามารถจเจริญสร้างพงวิหารสี่ เป็นมาอยู่ภายในใจของเราได้ก็เหมือนกับเรามีฝนตกทุกวันมีอากาศโลบเย็นสบายทุกวันจึงขอให้พวกเราพยายามเจริญพรมวิหารสีนี้ทั้งในขณะที่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คือในขณะที่เราอยู่ตามลําพังและในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริงเวลาที่เราอยู่ตามลําพังเราก็ซ้อมไว้ก่อน ฝึกไว้ก่อนพอเราอยู่ในเหตุการณ์จริงเราก็จะทําได้เหมือนกับนักกีฬาเช่นนักมวยเขาไม่ขึ้นไปบนเวทีก่อนที่เขาจะซ้อมถ้าเขายังไม่พร้อมถ้าเขายัางซ้อมไม่พ้อมเขาจะไม่ขึ้นไปเพราะเขารู้ว่าขึ้นไปก็จะต้องแพ้อย่างแน่นอนฉัในใดพวกเราก็ต้องซ้อมแผ่เมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขากไปก่อน แต่เมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์จริงเราก็ต้องพยายามแผ่ให้ได้อย่าลืมไปอย่าไปคิดว่าการแผ่เมตตานี้แผ่แจะเวลาที่เราอยู่ตามลพังเท่านั้นนี่คือการสร้างคุณธรรมที่จะทำให้จิตใจของเขามีความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเป็นเรื่องที่เราต้องทำกันเอง ไม่มีใครทําแทนเราได้ผู้อื่นเช่นพระพุทธเจ้านี้เป็นเพียงผู้สอนเราเท่านั้นบอกเราเท่านั้นเมื่อเราทราบแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รอบผลถ้าเราปฏิบัติเราก็จะได้รอบผลอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาจเจริญพรมวิหารสี่คือความเมตตากราุณาบุริตาอุเบกขานี ท่านท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ่ารล่มเย็นเป็นสุดที่จะตามมาต่อไปาการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนนาใรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย